ดูการ์ตูน ล, ลูกจะคิดตามคนสร้างฟังนิทานลูกจะคิดตามคนเล่าถ้าปล่อยให้ลูกดูการ์ตูนตามลําพังแถมไม่ค่อยคุยกับลูกไม่ค่อยสอนลูกในที่สุดคุณจะรู้สึกเหมือนลูกอยู่ในโลกของเด็กส่วนคนอยู่ในโลกของผู้ใหญ่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกของตัวเองไม่มีอะไรมาจูนโลกสองฝั่งเข้าหากัน จนกลายเป็นโลกของพ่อแม่ลูกความเป็นพ่อแม่จึงเป็นการทําให้ลูกโตขึ้นมาด้วยคำเข้าไม่ใช่เจริญวัยด้วยคําคุณกระตูนเป็นภาพเสียงตายตัวฉะ น, นั้นยิ่งลูกดูกระตูนเองมากขึ้นเท่าไหร่จินตนาการลูกยิ่งคับแคบขึ้นเท่านั้นความสามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจยิ่งพลาเลือนลงเท่านั้นต่างจากนิทาน ที่ไม่มีอะไรตายตัวลูกพูดแทรกได้ถามให้หายค้องใจได้หรือกระทั่งเอาตัวของเขาเองเข้าไปอยู่ในนิทานของคุณได้ฉะนั้นยิ่งลูกฟังนิทานจากคุณมากขึ้นเท่าไหร่จินตนาการของเขายิ่งเปิดกว้างขึ้นเท่านั้นความสามารถสื่อสารภาพในใจยิ่งจำชัดกระจ่างแจ้งขึ้นเท่านั้น จินตนาการและความสามารถในการสื่อสารคือกุญแจสำคัญสำหรับคนรุ่นต่อไปยุคที่แรงงานจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนยุคที่หุ่นยนอย่างจินตนาการไม่บรรเจิดเท่ามนุษยุคที่หุ่นยนอย่างสื่อสารได้แค่แบบแข็งๆไร้พลังจูงจิตให้คล้อยตามเล่านิทานมากๆเล่าให้หลากหลาย หลังจากเล่าตามคนอื่นไปถึงจุดหนึ่งคุณจะสามารถดัดแปลงเรื่องได้สดสดร้อนร้อนและถ้าต่อยอดอีกนิดเดียวก็สามารถแต่งเรื่องขึ้นเองผสมภาษานิทานหลายๆเรื่องมาบวกเข้ากับเรื่องจริงของลูกและคัดท้ายสรุปจบเป็นคำสอนของตัวเองบังนิทานจินตนาการลูกจะทำงานเหมือนลูกเข้าไปอยู่ในนิทานทั้งตัวจริง คุณสอนอะไรในบทสรุปขมวดจบจึงเข้าไปฟังอยู่ในใจลูกได้นานนับวันเขาจะยิ่งฟังคุณมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนใจแม้กระทั่งชักจูงเขาเข้าหาทางปฏิบัติธรรมเขาก็จะเดินตามโดยไม่รู้เลยว่าเด็กทั้งโลกอันหลังให้หรือเบือนหน้าหนีเส้นทางนี้กันทั้งนั้น